ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องผู้มากบารมีราโชวาตชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2549ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบัดนี้ ทำมาหากินทำงานทำการต่างๆบางทีก็มีวันหยุดนี่แหละนะวันอาทิตย์ซึ่งคนที่รู้จักสแสวงหาบุญก็คงจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือว่ามาทำบุญทํากุศลต่างๆส่วนผู้ที่ยังไม่ฉลาดยังไม่รู้บางทีก็ไปใช้ชีวิตสัมเรเทเมาหรือว่าไปเที่ยวมหัศพดูฟุตบอลดูการเล่นดูอะไร ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะไม่เป็นกุศลเลยผู้เจ้าท่านใช้คำว่าเป็นฆ่าศึกนะกับกุศลวันผู้ที่ฉลาดเท่านั้นแหละหรือผู้ที่เป็นบัณฑิตนะถึงจะรู้ว่าเออเราพอว่างเว้นจากภารกิจการงานเราเราจะมาสแสวงบุญยังไงไม่ต้องไปไกลโอ้โหไปต่างประเทศสแสวงบุญนนะในประเทศเราก็มีที่ให้เราสแสวงบุญ นะเพื่อที่จะสั่งสมเป็นวาสนาเป็นบา ร, รมีของเรายิ่งยิ่งขึ้นคาว่าบา ร, รมีเนี่ยนะหมายความว่าการที่เราทำความดีอะไรก็ตามแล้วเราก็สั่งสมมาไว้นะจนกระทั่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสะสมไปเรื่อยเนี่ยละเขาเรียกว่าบา ร, รมีถ้าทำมากมากเข้าเขาก็เรียกว่า ผู้มากบารมีนะเพราะวันนี้ก็จะเทศเรื่องที่ให้ทันยุคทันสมัยหน่อยจะเทศเรื่องผู้มากบารมีแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าผู้มากบารมีเป็นใครเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าผู้มากบารมีเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะถ้าไม่รู้ว่าผู้มากบารมีเป็นอย่างไรโอ้เราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าใครจะเป็นใช่ม ไม่มีทางรู้ได้หรอกวันอย่างที่ละกี้นี้นะพูดให้ฟังเนี่ยคำว่าบารมีเนี่ยแปลว่าการบำเพ็ญแปลว่าการกระทาแปลว่าพฤติกรรมเนี่ยชีวิตที่เราอยู่ในแต่ละวันที่เราทำคุณงามความดีต่างๆแล้วก็สะสมไว้สะสมไว้อย่างเช่นถ้าบอกว่าอ้าวคนเนี้ยเป็นคนมีบารมีนะก็แสดงว่า คนนี้ทำคุณงามความดีไว้น่าสะสมมาไว้ถ้าทำมากๆ ก, ก็บอกแล้วว่าก็เป็นผู้มากบา ร, รมีส่วนว่าจะอยู่ในรนัฐมนูญหรือนอกรัฐมนูญก็เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าในศาสนาพุทธเราเนี่ยนะบา ร, รมีเราเร า, เ, าเรามักจะคิดถึงพระพุทธเจ้าอะนะ ซึ่งจริงๆแล้วบารมีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ในในของธรรมะเราจะแบ่งที่พระเจ้าท่านบำเพ็ญเอาไว้เนี่ยเราเรียกว่าบารมีสิบทัศก็จะมีทานมีศีลมีเนเข็มมะมีปัญญามีวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตามีอุเบกขาแบ่งเป็น1ิบบารมีแต่ริงงมากกว่านี้อีกก็ได้ แต่ในที่นี้เนี่ยเขาแบ่งไว้แค่สิบแต่ในบารมีสิบอย่างนี้ผู้เจ้าบำเพ็ญสั่งสมมาหมายถึงอดีตนะบำเพ็ญมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยกว่าจะได้เป็นผู้เจ้าเพราะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มากบารมีที่สุดในโลกให้เรารู้ก่อนแต่ว่าในการบำเพญ็ญในบารมี 1ิบทัศเนี่ยสิบอย่างเนี้ยจริงๆก็ายังแบ่งย่อยไปอีกว่าในแต่ละอย่างสมมติว่าทานบา ร, รมีเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกอีกเป็นสามอย่างในหนึ่งอย่างนั้นะแบ่งออกอีกเป็นสามอย่างนะเป็นบา ร, รมีธรรมดาบา ร, รมีธรรมดานี่หมายถึงว่า อ, อย่างเช่นทานอย่างเงี้ยก็คือทานวัตถุทานข้าวของเงินทองอะไรของภายนอกตัวทั้งหลายเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นการทำทานบารมีอหน่ๆเนี่ยเป็นเบื้องต้นพอสูงขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าอุปปบารมีคราวนี้ก็เป็นการบันเพนทานที่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่สละแค่วัตถุข้าวของเงินทองแหละแต่คราวนี้เสียสละถึงขั้นถึงขั้นแหล <c oughs> ะเร็วไปหน่อยนะ ยังไม่ทันไรเลยเอาสละชีวิตเลยก่อนจะสละชีวิตนี่สละอะไรก่อนนะอวัยวะนะอวัยวะนี่มันรวมไปถึงแรงกายเรานี่ด้วยนะบางทีโอ้โหไปช่วยเขาเนียอันนี้ไม่ได้ใช้เงินทองนะใช้ <c oughs> ใช้เนี่ยแหละใช้ตัวตนใช้ร่างกายของเราเนี่ยไปช่วยเขาแบกขน ช่วยเขาทำงานช่วยเขาอะไรอ่ะทำให้โนอนทาให้นี่ต่างๆโดยการเสียสละซึ่ ง, ง, งจริงๆแล้วยากกว่าวัตถุเข้าของเงินทองเอาง่ายๆนะยกตัวอย่างแค่ใส่บาทพระเนี่ยที่ยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเรามีเงินบางทีเราเราจ้างก็ได้ใช่ไหมเออเอาเอ า, เอาเงินให้เขาให้เขาใส่บาทให้ก็ได้อย่างเงี้ย คนที่จ้างเขาเนี่ยเป็นบา ร, รมีเฉยๆเป็นทานบา ร, รมีเฉยๆแต่คนที่ลงมือทำจริงๆนะคนที่ต้องออกเหนือออกแรงทำจริงๆเลยยิ่งถ้า <c oughs> เป็นเป็นอะไรเป็นเงินทองเป็นอะไรของตัวเองด้วยเนี่ยยิ่งเป็นอุ ป, ปบา ร, รมีที่สมบูรณ์ขึ้นเลยเพราะว่าเวลาลงมือทำเนี่ยเอาบางที ทำไปบางทีอะไรอะพลาดก็ได้หรือว่าเหนื่อยก็ได้หรือว่าบางทีมาอะไรนะหุงข้าวทากับข้าวหันไปหันมาหันเอาดิ้วเราก็บ้างกะ็ะแดใช่ไหมก็เสียเลือดเสียเนื้อบังกรมีหรือยิ่งเสียสระดที่บางทีเราจะรู้เห็นๆ น, นะนะยิ่งทุกวันนี้บางทีเขามีอะไรอ ะ, อะบริจาคดวงตาใช่ไหม บริจาคอะไรกันอวัยวะเนี่ยหัวใจหรือตาบตายอะไรก็มีทั้งนั้นแหละที่มันเขามีอ่ะที่ที่สภากาชาดอ่ะเขาจะมีให้เราไปอะไรไปไปลงชื่อไว้อะบอกเจตจํานงของเราในะอันนี้เราเรียกว่าอุ ป, ปบรารมีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหนักกว่านี้คราวนี้ที่บําเพ็ญยิ่งกว่านี้เราเรียกว่าปารมัตบรารมี คือคราวนี้แหละถึงที่ทั่วๆไปเขาบอกหมายถึงว่าเอายอมสละชีวิตเลยเรามีสำนวันที่บอกว่าอะไรนะสละทรัพเพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเพราะนั้นปรมาทบรมีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สละชีวิตเท่านั้น พอบอกแล้วสูงกว่านั้นมีปรามัตถธรรมคือคือจริงๆแล้วคําว่าปรามัตถะเนี่ยแปลว่าประโยชน์อันสูงสุดนะแปลว่าประโยชน์เพราะนั้นปรมัตถะบารมีก็บารมีก็บอกว่าเป็นความดีใช่ไหมความดีที่สูงสุดเนี่ยไม่ใช่แค่สลัชีวิตเพราะเยอะแยะไปที่บางทีเขาสลาัสลัชีวิตแต่มันผิดธรรมอะ่ะใช่ไหมอันนั้นยังไม่สูงสุด วันถ้าจะสูงสุดเนี่ยต้องสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมหรืออะไรอะ่ะปฏิบัติธรรมจนตายอะ่ะเวง่ายยังไม่ยังไม่รู้นะเนี่ยใครตั้งตาบะไปแล้วไม่ยอมผิดตะบะนะตายซะดีกว่าที่จะให้ผิดตะบะยังไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ในศาสนาพูดอย่างมีมาแล้วนะผู้ที่รักษาธรรมเนี่ยยอมที่จะไม่ให้ทำเนี่ยต้อง เสียหายต้องถูกทำลายนะโดยที่ยอมเสียชีวิตยิ่งในชาดกมั่งน้อยพระใจบิดกมั่งโอ้มีไม่น้อยเลยเรื่องพวกนี้ <c oughs> เพราะนั้นอันเนี้ยให้เรารู้ว่าในบา ร, รมีเนี่ยคือการที่เราเสียสละทำความดีอย่างเงี้ยนะเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งสูงสุดก็แม้จะยอมเสียสละชีวิตก็เพื่อที่จะ นะรักษาความดีงามรักษาความถูกต้องนะให้กับโลกนี้ให้กับสังคมนี้เพราะสังคมเนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยหรือจะอยู่อย่างสงบสุขแล้วก็ร่มเย็นได้ต้องมีธรรมะสังคมไหนไม่มีธรรมะสังคมนั้นเดือดร้อนวุ่นวายอืมเพราะถ้าอยากจะแก้ปัญหาเนี่ยสังคมไหนเนี่ยนะที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เนี่ยอยากจะให้สงบได้ก็ต้อง เอาธรรมะเข้าไปสังคมนั้นถึงจะสงบสุขได้แล้วก็ล่มเย็นลงมาได้ยิ่งยิ่งของธรรมะของาศาสนาพุทธด้วยเอาไม่ไปเบียดเบียยไม่ไปฆ่าแก้งไม่ไปอะไรอยู่แล้วด้วยน่าจะมีแต่จะใช้ความเย็ น, นใช้ความเมตตาใช้ความอะไระความดีเท่านั้นใช้กุศลละจิตเพราะฉะนั้นถึงบอกได้เลย จะประเทศไหนสังคมไหนที่เดือดร้อนอยู่ต้องเอาธรรมะลงไปเพียงแต่ตอนนี้แต่ละที่แต่ละแห่งศาสนาก็ตามก็อาจจะมีหลายาศาสนาใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละาศาสนาเนี่ยก็ต้องการให้ดีทั้งั้นเพราะฉนั้นถ้าเอ า, าศาสนาจริงๆนะต้องเอ า, าศาสนาที่ถูกต้องด้วยนะที่แท้จริงเอาเข้าไปแล้วเนี่ยสังคมนั้นถึงจะร่มเย็นได้ตอนนี้ เอาละเราพอจะเข้าใจบารมีแล้วเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราลองจะมาฟังวันนี้อาตมาเอาราโชวาชาดกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสถึงนี่แหละเรื่องนี้เลยเรื่องของผู้มีมากบารมีเนี่ยว่าเป็นยังไงและตัดสินกันตรงไหนว่าคนนี้เป็นผู้มากบารมีใครจะมากกว่ากัน เอาเราลองฟังเรื่องดูนะนะมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าโกศลทรงวินิจฉัยคดีเรื่องหนึ่งพระเจ้าโกศลนี่ก็เป็นเจ้าแคว้นโกศลนี่นะในสมัยพุทธกาลน่ยนั้นไะด้วินิจฉัยคดีเรื่องหนึ่งซึ่งวินิจฉัยไว้ไม่ดีมีอักขติคําว่าอักขติหมายถึงลําเอียง บางกฎว่าตัดสินไปเนี่ยตัดสินด้วยวาเอียงลาเอียงมีอยู่สี่อย่างเอียงยังไงบ้างเอียงเพราะรักฉันทาคติเอียงเพราะรักเ อ, เ, อ เ, อเอียงเพราะชังโทษาคตอาิอะไรอีกะอะไรนะเอาโมหคติเอียงเพราะอะไร เอียงเพราะอะไรสอบตกแล้วติเอียงเพราะกลัวแล้วกลัวมันอะไรโมหะแปลไม่ออกเลยเอียงเพราะหลงนะส่วนอันสุดท้ายที่สี่ก็คือพยาคตนะิเอียงเพราะภายัยไงกลัวคเนี้แหละกลัวนั่นะมีอยู่สี่อย่างนะัเพราะฉะนั้นอย่าปรากฏว่าพระเจ้ากโกศเนี่ย ตัดสินคดีไปแล้วลำเอียงคือมารู้สึกตัวเองว่าลำเอียงเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกเอไม่ค่อยดีเลยดูนะกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยถ้าคิดว่าตัดสินอะไรไปแล้วไม่ดีเนี่ยจะเป็นยังไงอพอตัดสินไปแล้วมีอคติเนี่ยเสร็จแล้วก็เลยรีบเสวยพระกระาหารเช้าทั้งทั้งที่มีพระหัตต์เปียกในนี้เป็นสำนวนนะอันนี้ เอามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่27หรืออาจธกถาแปลเล่มที่57อันนี้เป็นสำนวนแบบแบบโบราณหน่อยนะปรากฏว่าพอฉันเสร็จใช่ไหมพระหัตเปียกแต่จริงๆก็หมายถึงว่าพอฉันเสร็จแล้วก็ต้องล้างพระหัสหรือล้างมือมือยังไม่ทันจะเจ็ดยังไม่ทันจะทำความสะอาดอะไรให้แห้งอ่ะ นั่นก็รีบเลยรีบไปเลยสเสด็จขึ้นทรงราชรถที่จัดไว้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าไม่สบายใจมากๆนั้นก็สเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาพระาศาสดาในที่นี้ก็หมายถึงพระบุทธเจ้าครั้นถึงก็ทรงหมอบลงแทบพระบาทถวายบังคมพระาศาสดาแล้วประทับนั่งณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระาศาสดาได้ตรัสปฏิสันถานกับพระเจ้าโกศลว่า ขอต้อนรับมหาบาพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวันเล่าคือพูดง่ายว่ายังเช้าอยู่เลยโอโ้เสด็จมาแต่เช้าเลยพระเจ้าโกสกลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์วินิจฉัยคดีเรื่องหนึ่งตัดสินไว้ไม่ดีครั้นพิจารณาคดีนั้นเสร็จแล้วจึงเร่งบริโภคอาหารเพื่อจะรีบมาเข้าเฝ้าหวังฟังธรรมจากพระองค์นี่แหละพระเจ้าค่า นะพูดง่ายๆว่าพอไม่สบายใจเหมือนกับบางทีเนี่ยเราทุกเรารู้สึกว่าอะไรเดือดร้อนเรามักจะนึกถึงอะไรก่อนนึกถึงผู้ที่จะช่วยเราได้ใช่ไหมออที่จะทำให้เราเนี่ยคลายทุกข์ได้อย่างบางคนอย่างบางคนเนี่ยที่มาวัดก็มีนะมีเรื่องทุกมีความเดือดอร้อนใจเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่รู้ละรีบมาเลยมาเนี่ยมาที่ปฏิสันถานี่แหละมาคุยกับสมณะหรือว่าบางทีก็มาคุยกับศิกมาศเพื่อที่จะหาที่ปรึกษานะสมณะหรือศิกมาศทุกวันนี้บางทีก็เหมือนที่ปรึกษานะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบางทีเจ็บป่วยได้ไข้หรือว่าอ ะ, อะไรอ่ะไปติดหนี้ไป <laughs> อ, อกหกัก อ, อกพัง หรือไปมีอะไรมาก็แล้วแต่มาคุยมาปรึกษาเพราะอะไรอะ่ะทำไมถึงถึงถึงมาคุยกับผู้ที่เราคิดว่าอันนี้จะช่วยเราได้ส่วนใหญ่เพราะอะไรรู้แล้วละเพราะทุกอะฮะเอา้าถ้าคนอีกประเภทหนึ่งอะ่ะใช่ัหมเขาทุกนี่เขาไปไหนเขาไปดูหนังฟังเพลงอาเขาไปอะไรอะ่ะเที่ยวเตสถานที่เรื่องลมสถานที่ไหนอะไรก็ได้นี่ จะแม้เขาจะไม่มาหาอะไรอะผู้ที่มีธรรมะหรืออะไรหรอกอันนี้อันนี้จะแยกประเภทคนด้วยนะคนที่มี ม, ม, มีมีใจเข้ากระแสธ ร, รรมะอยู่บ้างเท่านั้นแหละที่พอทุกร้อนแล้วก็จะนึกถึงธรรมะเพราะจะรู้ชัดเจนว่าธรรมะนี่แหละที่จะเป็นตัวเย็นจะเป็นตัวที่ช่วยแก้แลวจะแก้ยังถูกที่ถูกทางด้วยแต่พวกที่ยังไม่มีจิตศรัทธา ไม่มีความเชื่อถือในเรื่องของธรรมะเนี่ยเขาก็จะใช้อย่างอื่นแก้ใช่ไหมอาจจะใช้ไปดูฟุตบอลโลก <c oughs> ใช้อะไรอีกอะไอ้ที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยทุกวันเนี่ยใช่ไหมไปไเปิด เ, าเคาร์เตเกะเอ๋ไปร้องเพลงอะไรอย่างนี้เ อ, อันนั่นอะแสดงว่าเขาเขาไม่มีธรรมะอะไรเนี่ยอยู่ในหัวเขาไงพเพราะฉพอเขาทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับเขาคุณเจ็บป่วยธรรมดาเนี่ยเจ็บป่วยได้ไข้ธรรมดา ใช่ไหมกูไปหาอะไรอะ่ะคุณก็ไปหาหมอนี่ยแหละก็เหมือนกันแต่อันนี้นี่อันนี้เป็นหมอมันก็แหละแต่อันนี้เป็นหมอธรรมะมาหาหมอธรรมะหมอธรรมะจะอะไรช่วยอะ่ะหมอธรรมะก็ต้องเอาธรรมะช่วยคุณไปหาหมอทั่วไปก็เอาอยู่ยาใช่ไหมเอาวิธีการแบบแบบทางโลกๆช่วยแต่ถ้ามาทางธรรมะไม่มีหลอกบางทีคุณเป็นหนี้มาอย่างเงี้ย มาโอ้โหเนี่ยผมทุกข์เหลือเกินไปนี่ทั้งสิบล้าน2ี่สิบล้านเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดออีสมณะไม่มีสักบาทนะโยมไอเรื่องเงินนี่ช่วยโยมไม่ได้หรอกอแต่ช่วยอย่างอื่นได้อาจจะแนะนำอาจจะบอกกล่าวและทำให้ใจเนี่ยมนสงบลงไปให้คลายลงไปอะได้เห็นไหมจะช่วยได้ก็ช่วยด้วยรสพระธรรมเท่า น, นั้นแหละเอารสพระธรรมเนี่ยแหละกล่อมเกาจิตใจทาให้จิตใจเนี่ยเออเย็นลงได้ มันจะช่วยส่วนใหญ่จะช่วยทางจิตวิญญาณช่วยทางจิตใจนะเพราะนั้นนะ่ให้ให้รู้นะอ่าเหมือนกันแนตะบางคนโห อ, อย่างกันอย่างงี้อยากจะอะไรนะอ่าขอผู้ค้ำประกันมีนะเนี่ยอันมายังเคยเจอเองเลย ท่านช่วยค้ำประกันให้หน่อนยไะแม่จะไปทำงานที่นั่นนี่มสมณะไปค้ำประกันอะไรได้เล่ายมค้ำประกันไม่ได้ไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรบ้านช่อนเรือนชาญเลยก็ไม่มีแล้วเอาอะไรไปค้ำประกันเขาเราบอกไม่ได้แล้วก็สำหรับสมณะชาวโศกนี่ก็ห้ามเลยด้วยห้ามเลยไม่มีการไปค้ำประกนนะันนี้พ่อท่านก็กำหนดมาเลย เพราะว่าเราไม่มีอะไรแล้วนี่จริงๆด้วยสละออกไปก็ต้องสละให้หมดจริงๆนะอย่างอันเนี้ย <c oughs> นี่ยแหละพอพระเจ้าโกศลนี่ใช่ไหมก็ทุกทุกก็เลยมาเข้าเฝ้าผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยตัดขอถวายพระพรขึ้นชื่อว่าการวินิจฉัยคดีโดยทํานองครองธรรมจึงจะเป็นความดีเห็นไหมอันนี้ผู้เจ้าบอกกันนะบอกว่าก็ตัดสินลำเอียงเนี่ยมันก็ อะไรอะ่ะก็รู้ว่าผิดอะ่ะรู้ว่าไม่ถูกต้องมันไม่ดีมันก็ต้องทุกข์อย่างนี้แหละอันนี้สำหรับคนดีนะคนดีเท่านั้นะ่ะถ้าตัดสินอะไรไปผิดผิดจะรู้สึกลายต่อความผิดที่ตัวเองทำไปอ่าจะทุกข์แต่ถ้าคนเลวเนี่ยตัดสินอะไรผิดไปใช่ไหมมีความสุขเพราะไอ้ที่ตัดสินผิดผิดเนี่ยแสดงว่าจะต้องทุจริตหรือคอร์รัปชันหรือจะต้องอะไรแหละ นั้นที่จะได้ผลประโยชน์อะไรเข้ามาหาตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วจะมีความสุขกับการที่ได้ทุจริตนั้นแต่ตรงัข้ามกับคนที่เป็นคนดีนั้นอันนี้เป็นบรารมีอย่างหนึ่งของคนดีที่สะสมความดีเอาไว้ใครที่มีบรารมีทำดีเอาไว้แล้วพอไปทาชั่วไปทาเลวอะไรเข้าคุณจะเกิดความระอายเกิดความเกรงกลัวต่อความผิด นี่แหละเป็นความดีที่สะสมมาเพราะความดีเนี่ยมันจะกำนำมันจะมาเตือนมันจะมาบอกมันจะมาดา่ามาว่าเราเลยเพราะอะไรเพราะความดีไม่ยอมให้ทำชั่วความดีจะให้คนทำดีไม่ใช่ให้คนไปทำเลวเพราะนั้นหิลีโอตาปะเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นเป็นเครื่องคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่เอาไว้คุ้มครองโลกและนี่แหละเนี่ยคือบา ร, รมีของคนดี เนันใครเนี่ยบางทีเนี่ยตั้งตาบาวไว้เสร็จแล้วก็สมมติว่าไม่ตั้งตาบาว่าพรรษานี้จะไม่กินขนมอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จปรากฏว่าอ้อดไม่ไหวตกกลางคืนแอบไปกินไม่ให้ใครรู้ด้วยนะแอบไปกินอย่างเงี้ยไม่มีใครเห็นแต่เจ้าตัวเองรู้จีว่าตัวเองทําพราะถ้าคนเนี้ยยังมีคุณความดีที่สะสมไว้ในตัวเองอยู่บ้างแล้วถึงไม่มีใครรู้ แต่ความลับไม่มีในโลกอันนี้ก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งที่ผู้เจ้าท่านใช้ว่าความลับไม่มีในโลกเพราะเจ้าตัวรู้แล้วถ้าเจ้าตัวเป็นคนดีใช่ไหมก็จะตำหนิจะว่าตัวเองว่าเนี่ยไม่ดีนะดีไปแอบทําแล้วนะถ้าทาตั้งตะบะแล้วทําไม่ไหวจริงๆก็ไปขอเลิกตะบะซะ <c oughs> ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะรือขอเปลี่ยนตะบะซะนะอดทนไปให้ได้ ถ้าจะทําก็ต้องตั้งจิตให้ดีเนี่ยอย่างเนี้ยวันนั้นพุทธเจ้าท่านเลยบอกก่อนเลยนะบอกกับพระเจ้าโกศเนะี่ยวว่าจะให้ดีแล้วเนี่ยการพาิจารณาการตัดสินอะไรใครตัดสินคดีความไหนต้องตัดสินให้เป็นธรรมนะ่ให้ถูกต้องนะ่ถึงจะเป็นความดีจึงจะเป็นทางสวรรค์แท้เห็นไหมถึงจะไม่ไปเป็นทางนรกคําว่านรกก็คือนี่แหละ พอไปทำเลวทำอะไรผิดไปเนี่ยมันจะทุกข์ใจคำว่านรกเนี่ยแปลว่าความเดือดเนื้อร้อนใจนี่แปลเป็นภาษาไทยนะคำว่านรกเพราะบางคนนี่ไม่เข้าใจอะ่ะพอพูดถึงนรกทีไรก็ไปนึกถึงกระทะทองแดงอะไรนะเอาหอกแล้มแทงทุกวันทุกวันนะฟังไปตามเพลงเขาเลยะนะแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วนรกนี่ก็คือสภาวะจิตของคนเรา คือสภาวะที่มันเล่าร้อนใจมันทุกร้อนใจนี่แหละเขาเรียกวันนรกเพราะอันนี้พระเจ้าถึงได้บอกว่าเนี่ยถ้าทําความดีไว้แล้วตัดสินคดีให้เป็นธรรมะให้เป็นความถูกต้องแล้วก็จะเป็นทางสวรรค์ก็จะเป็นทางที่สุขสบายเราไปทําดีอะไรไว้เนี่ยเหมือนบางคนเนี่ยทําบุญใส่บาตรใช่ไหมทําไว้แล้วก็เออรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจรู้สึกอิ่มบุญนั่นแหละก็จะรู้สึกดีๆแบบนี้ อันเนี้ยก็เขาเรียกว่าสวรรค์วันสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่บนฟากฟ้าอะไรสวรรค์ก็อยู่ที่ใจเราสํานวนเขาถึงบอกว่าอะไรสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอย่างสำนวนนี้เขาก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าไม่ได้อยู่นอกตัวแต่คนที่ยังโมหะคนที่ยังหลงอยู่ก็ชอบไปคิดนอกตัวอยู่เรื่อยอาตานี้ท่านก็นตัดต่อบอีกว่าเนี่ยจึงจะเป็นทางสวรรค์ก็การที่มหาบาพิตร ได้ทรงสดับโอวาทจากสำนักของผู้เป็นสัพพัญยูเช่นเราตถาคตแล้วทรงกลับไปวินิจฉัยโดยทํานองคองธรรมนี้ไม่อัศจรรย์เลยคือคือตรงนี้ผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยผู้เจ้าสอนให้แล้วนะสอนแล้วเนี่ยถ้าเอาเอาคำสอนของผู้เจ้าเนี่ยให้พระเจ้าโกศลเนี่ยกลับไปคราวนี้ไปตัดสินคดีให้ให้ถูกต้องทานองคองธรรมซะท่านบอกเนี่ยแม้อย่างเนี้ย เอาไปประพฤติไปปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องอันนี้ไม่น่าอาัศจรรย์อะไระเพราะการที่พระราชาทั้งหลายในการก่อนเพียงสดับโอวาทของเราบัณฑิตทั้งที่ไม่ใช่เป็นสัพพันยูแล้วทรงวินิจฉัยคดีได้โดยทํานองครองธรรมเว้นจากอคติสี่บำเพ็ญทศทพิษราชธรรมไม่ให้เสื่อมเสียสเสวย ร, ราชสมบัติโดยธรรม บำเพ็ญทางสวรรค์นี้แหละน่าอัศจรรย์คือพูด ง, ง่ายๆว่าพระเจ้าท่านก็สอนพระเจ้ากโกศลเนี่ยบอกว่าเนี่ยสอนแล้วเนี่ยก็ให้ไปตานี้ไปตัดสินคดีความอะไรต่างๆก็ตัดสินโดยเป็นธรรมเนี่ยนะอันนี้ไม่น่าแปลกอะไรหรอกเพราะว่าได้มาฟังธรรมะจากสัพพัญยูสัพพัญยุเนี่ยหมายถึงผู้รู้แจ้งโลกเลยรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง คำว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงๆเราจะเน้นแล้วหมายไปถึงรู้กิเลสคนอะไรต่างๆเนี่ยนะรู้ทุกอย่างอืมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้เจ้ารู้หมดว่าอะไรนะอีกหน่อยจะมี จ, จ้หลวดอีกหน่อยจะมีอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั้นไอ้นั้นเป็นเรื่องวัตถุนะที่อนาคตมันจะยังไงก็ช่างมันเถอะแต่เนี่ยท่านจะรู้คนเราว่าคนเราเนี่ยมีกิเลสตัณหาอุปทานอะไรยังไงบ้างอันเนี้ย รู้แจ้งหมดอีกสำนวนแล้วเขาก็ใช้เนี่ยแหละรู้แจ้งโลกเสร็จแล้วท่านก็เลยบอกว่าอันนั้นนะไม่แปลกหรอกเพราะว่ามาฟังธรรมจากพระเจ้าแล้วก็เลยไปทำดีได้แล้วท่านก็เลยบอกว่าที่น่าอัศจรรย์กว่า น, นั้นก็คือสมัยโบราณนะเพียงแค่ได้ฟังธรรมะจากบัณฑิตคือหมายถึงว่าจากชาวบ้านด้วยกันเนี่ยจากคนที่เขาปฏิบัติดีนี่ได้ฟัง ได้ฟังธรรมะจากชาวบ้านด้วยกันแค่นั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วสามารถที่จะทำดีได้จะงไงพอผู้เจ้าตัดอย่างนี้พระเจ้าโกสพระเจ้าโกศนกราบทูลอาราธนาก็คือขอให้ผู้เจ้าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องเป็นยังไงพระองค์จึงทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าถวายเอาล้นะคราวนี้จะเริ่มราโช ว, วา ชาดกในอดีตเมื่อพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระอัครามเหสีทรงพระคันจึงได้รับการบริหารพระคันเป็นอย่างดีจนกระทั่งประสูติพระกุมารโดยสวัสดิภาพในวันขนานพระนามพระชนกชนนีได้ทรงตั้งพระนามว่าพร ม, มทัตกุมารคือตั้งชื่อเหมือนกับพระเจ้าพร ม, มทัตเลย คือพระราชบิดาก็ชื่อพรมทัตแล้วนี่มีบุตรออกมามีอะไรอ่ะแม่ราจารศักด์โอรสมีพระโอรส <c oughs> อ, ออกมานะก็ตั้งชื่อพรมทัตเหมือนกันเลยนะเออทำไมเขาชอบตั้งงั้นนะเหมือนฝรั่งนะฝรั่งเขาก็พอตั้งออกมาแต่เขามีจูเนียตามใช่ไห อ, อไม่รู้จูเนียแปลว่าอะไร น, น้อยหรือไง อันนี้ก็เป็นเหมือนกับพรมทัตน้อยนะเขาก็ตั้งชื่อซ้ำกันเลยตรงกับพระราชบิดาอันนี้พอพรมทัตกุมารนั้นได้เสด็จได้เจริญวัยขึ้นโดยลำดับเมื่อพระชนได้1 6บหกพรรษาเสด็จไปเมืองตักกศิลาทรงสำเร็จศิลปศาสตร์ทุกแขนงตักกศิลานี่สมัยพุทธกาลถือว่าเป็นแหล่งอะไร แหล่งวิชาการเป็นแหล่งความเจริญมีอาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังเยอะแยะมากมายน่าอยู่ที่ตักกศิลาถ้าเมืองไทยนี่ก็ต้องถืออะไรแบบกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหมีมหาวิทยาลัยมีสำนักอะไรต่างๆเนี่ยสอนอยู่เยอะแยะแตีนี้ก็เลยไปเรียนที่นั่นจนกระทั่งจบ ทุกขแขนงเลยตอนนี้เมื่อพระชนก ส, สวรรคตไปแล้วคือพระราชบิดาสวรรคตแล้วนะก็ทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติครอบครองราชสมบัติโดยทำนองครองธรรมคือพูดง่ายว่าก็มาปกครองบ้านเมืองแทนแตอนนี้พอปกครองบ้านเมืองใช่ไหมก็ทรงวินิจฉัยคดีอย่างไม่มีอคติใดๆเลยแสดงว่าเป็นผู้มี ธรรมะอยู่เมื่อพระองค์เสวยราชสมบัติโดยทำรรอย่างนี้แม้พวกอมตะต่างก็วินิจฉัยคดีโดยทรรมเหมือนกันคือถ้าหัวเนี่ยอันนี้กษัตริย์นะกษัตริย์มีธรรมะคือมีทศพิธรราชธรรมนะผู้นำเนี่ยดีแล้วมีธรรมะลูกน้องที่ตามตา ม, มาถ้าอยู่ในปกครองจริงแล้วก็ถ้าลูกน้องเนี่ยศรัทธาผู้นาจริง ก็ปฏิบัติตามวันลูกน้องหรือบริวานนั่นเองก็จะมีธรรมะตามไปด้วย